คนเราเนะ่ยก็ประกบรอบด้วยกายกับใจกายเนี่ยมันก็มีสองสภาวะนะเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายหรือว่าแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนมันก็วนเวียงกันนะระหว่างสองสภาวะเนี่ยคือตื่นกับหลับ ใจเราก็เหมือนกันนะมีสองสภาวะตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่อายุสั้นอายุยืนก็แล้วแต่นะก็มีแค่สองสภาวะเนี่ยก็คือรู้กับหลงมันไม่ได้มีอะไรนอกไปจากนี้นะไม่ว่ากายกับใจตื่นกับหลับ นะรู้กับหลงแต่ว่าคนเราเนะ่เราตื่นมากกว่าหลับเราตื่นก็วันหนึ่งก็อาจจะสิบหกชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงส่วนจิตน้มันตรงข้ามนะเราหลงมากกว่ารู้ เวลาที่เรามีความรู้ตัวเนี่ยมันเล็กน้อยมากเลยนะเมื่อเทียบกับเวลาที่หลงแม้แต่ในยามตื่นนะเราก็ยังหลงได้เราหลงได้ทุกเวลานะไม่ต้องพูดถึงตอนหลับเนี่ยหลับนี่ก็หลงนะเราฝันพุ่งปรุงแต่งไวสารพัด เวลาตื่นแล้วก็หลับเนี่ยเราตื่นและหลับเป็นเวลานะบางคนอาจจะตื่นหกโมงเช้าสีนะท่ทุ่มเท่องคืนจึงค่อยหลับบางคนอาจจะตื่นตนะีสามสามทุ่มหลับเราตื่นเราหลับแต่เราค่อยไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนเนี่ยนะก็มักจะตื่นแล้วก็หลับเป็นเวลาส่วนหลงกับรู้นี่มันไม่เป็นเวลาเลยนะหลงที่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกโอกาสทุกเวลาอย่างที่บอกไว้แล้วแม้กระทั่งเวลาตื่นนะเราก็หลงเป็นประจำ หลับนี่มันมีประโยชน์นะมันทำให้ร่างกายได้พักผ่อนมันทำให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตลอดทั้งวันเนี่ยนะมันมีการจัดระบบระเบียบทุกวันนี้แม้เรายังรู้ไม่แน่ชัดนะว่าหลับเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงบ้าง ตอนนี้มันมีการศึกษานะยังไม่จบสักทีนะว่าหลับเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรแต่ที่รู้แน่คือนะถ้าไม่หลับนะหรืออดหลับอดนอนนี่ร่างกายแล้วก็จิตใจก็แย่นะอันนี้เขาทดลองกับสัตว์ก็ดีกับคนก็ดีนะมันก็ได้ผลตรงกันแล้วว่าหลับเนี่ยมันมีประโยชน์นะ ทั้งต่อร่างกายแล้วก็ต่อจิตใจถ้าอยากจะทรมานใครสักคนเนี่ยก็ทำให้เขาไม่หลับไม่นอนเอาน้ำสะอาดนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนสีนะ่ห้าวันหรือเป็นอาทิตย์นะเดี๋ยวก็ต้องเผยความลับออกมาหรือก็ต้องสารภาพนะคุมไม่ได้แล้วจิตใจ หลับมีประโยชน์นะแต่หลงเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์มีแต่โทษนะไม่มีประโยชน์เลยเพราะในขณะที่เร า, าเห็นความสำคัญการหลับนะบางคนนอนไม่ค่อยหลับก็ต้องกินยาให้มันหลับ แต่ว่าไม่มีใครที่อยากจะทำให้ตัวเองหลงมากขึ้นนะยกเว้นแต่เวลามีความทุกข์นะต้องพยายามที่จะทำให้ลืมให้หลงเนะช่นกินเหล้าหรือว่าเสพยาอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราเนี่ยตื่นแล้วก็หลับเป็นเวลาอันนี้มันก็มีเหตุผลนะ คือร่างกายเราเนี่ยมันจะมันจะหลังนะ่งสารสองตัวออกมาทำหน้าที่คุมการหลับและการตื่นของคนเราและสารสองตัวนี้มันก็คอยต่อสู้กันน ะ, ะเขาตั้งชื่อสารตัวที่ทำให้ตื่นว่าออรักซินนะ ส่วนสารที่ทําให้หลับก็เรียกว่าอะดีโนซีนสองตัวนี้มันก็ออกมานะตลอดเวลานะแต่ว่าตอนเช้านี่ออร์ักซินมากกว่ามันก็ทําให้เราตื่นนะแต่ตอนค่ำค่ำเนี่ยอะดีโนซีนะมันก็ออกมาเยอะมันก็ทําให้เราหลับ ผู้ญะก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยอลักซีนชนะนะเราก็เลยตื่นหายง่วงทันที่เราตื่นนะเวลาอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าภระาทิตอย่างเดียวนะแต่มเป็นเพราะสารตัวนี้ด้วยแต่ถึงแม้พราทิดจะไม่ขึ้นอย่างตอนนี้บางคนก็ตื่นละ อย่างทั้งงวัดก็ตื่นแล้วนะก็เพราะไอออร์กซีนนี่แหละนะสารตื่นนะมันมากกว่าเราก็ตื่นแต่พอตกค่ำนะอะดีโนซีนหรือสารหลับเนี่ยมันก็ชนะนะนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะแต่ก็เป็นเวล่ํเวลานะยว้ยบางคนเนี่ยซึ่งมันอาจจะ ม่วงไม่เป็นเวลาหรือว่าดึกแล้วก็ยังตาค้างตาสว่างอันนี้ก็เป็นส่วนน้อยนะซึ่งหลายคนก็ต้องพึ่งยาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะ่ะเราก็ไอสารสองตัวนี้มันก็ผัดกันแพ้ภาชนะ ก, กันเป็นเวลาตรงข้างกา็หลงกับรูนะหลงกับรูนี่ มันไม่ค่อยเป็นเวล่เ่มเวลาเท่าไหร่ละส่วนใหญ่หลงที่มันชนะนะรู้เนี่ยแพ้อยู่เรื่อยๆรู้ในที่นี่คือรู้ตัวนะหลงเนี่ยคือลืมตัวหรือไม่รู้เนื้อรู้ตัวตัวหลงนี่มันฉลาดนะมันพยายามที่จะหาทางนะ เข้ามาครอบงมจิตใจเราแล้วก็ขับไล่ตัวรู้ให้ออกไปนะแม้แต่เวลาเราตั้งใจนะที่จะมาทำตัวรู้ให้มากขึ้นอย่างเช่นเรามาวัดเนี่ยนะเราก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะทาให้ตัวรู้เนี่ยนะมันอยู่กับจิตใจเราไป น, น, นานๆแต่แม้กระทั่งเวลาสวดมนต์เนี่ยนะ สวนมนต์นี้ก็น่าจะทำให้เรารู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นแต่สังเกตไหมบ่อยครั้งก็โดนตัวหลงเล่นงานปากก็ว่าไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนไปอยู่ที่บ้านไปหาลูกไปอยู่ที่งานบางทีก็ไหลไปอดีตพอหลงเข้านะ มันก็สวดผิดผิดถูกถูกนะโดยพระบทสวดที่คล้ายๆายกันพุทธทางทำมังสังคังนะสวดพุทธทางจากแทนที่จะสวดพุทธทางก็สวดสังคังแทนที่จะสวดทำมังก็สวดพุทธทางไปนะอันนี้เพราะว่าหลงนะยิ่งกว่า น, นั้นนะเวลาเรามาเจริญสตินะ ทำความรู้สึกตัวด้วยการยกมือสร้างจังหวะด้วยการเดินตรงกรมเนี่ยทั้งทน้งที่ตั้งใจนะว่าจะรู้ตัวให้ได้หรือมาเพื่อทำให้ความรู้ตัวเกิดขึ้นจะเป็นไงหลงนะใจลอยไปไหนไม่รู้เดินเนี่ยไม่รู้ว่าเดินเลยนะหรือว่ารู้ บ้างหลงบ้างนะสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลงมากกว่ารู้แต่ที่จริงเนี่ยแค่เราสังเกตนะหรือพบว่าโอ้แม้แต่สร้างจังหวะแม้แต่เดินจงกรมมันก็ยังหลงแล้วก็หลงมากกว่ารู้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะ เพรานี่คือบันไดขั้นต้นของการทําตัวรู้ให้มากขึ้นเรามาปฏิบัติเนี่ยนะก็เพื่อให้ตัวรู้เนี่ยมันมากกว่าตัวหลงโจยกระทั่งถึงที่สุดแล้วหลงนี่มันไม่มีอยู่ในจิตใจเลยเรียกว่าจิตนิสสว่างสว่างไม่มีแม้กระทั่งเงาหรือซอกมุมนะที่ตัวหลงเนี่ยมันจะ สุกซ่อนได้ น, นั่นคือจิตของพระอาหารหันตะ์หรือพระพุทธเจ้าแต่ว่าจิตของพุทธชนเนี่ยนะมันจะมืดมากกว่าสว่างอาจจะมีความสว่างอยู่บ้างแต่ว่าความมืดมันมากกว่าหรือถ้ามองเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยหลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากกว่ารู้ เราหลงได้แม้กระทั่งในเวลาพูดคุยกับค น, นเราหลงแม้กระทั่งเวลาขับรถเราหลงแม้กระทั่งเวลาทำงานขับรถแต่จะขับถูกทางนะถึงที่หมายได้แต่อันนั้นมันเป็นเพราะความเคยชินมากกว่าขับไปเส้นทางนี้นเป็นประจำนะทุกวันทั้งเดือนทั้งปี ถึงแม้วขณะที่เรากําลังหลงขณะขับรถนะเช่นอาจจะฝันฟุ้งใจลอยคิดโน่นคิดนี่หรือว่าคุยโทรศัพท์นะแต่เราก็ยังไปถึงที่หมายได้อันนั้นไม่ใช่เพราะว่าเรารู้ตัวนะก็รู้ตัวบ้างเป็นพักๆมันไม่ใช่ว่าหลงตลอดนะก็รู้ตัวเป็นพักๆแต่ว่าหลงเมากก็รู้ก็ยังทําให้เราถึงที่หมาย นะคุยกับคนเนี่ยนะก็คุยรู้เรื่องนะเขาพูดอะไรมาก็ได้ยินแล้วก็ตอบโต้ได้นะแต่สังเกตไหมหลายครั้งเราก็พูดด้วยความหลง <c oughs> เช่นมันนะคุยแล้วมันเพลินนะอยู่ในรถหรือว่าอยู่ในวัดนะ ก็ยังคุยฟุ้งนะไปได้ทั้งวันอันนี้เรียกว่ามันเพลินมันหลงนะมันฟุ้งนะอย่างนี้เราไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวในทางธรรมะ ก, กับไม่รู้ตัวในทางโลกหรือทางการแพทย์ที่มันต่างกันนะทางการแพทย์เนี่ยนะคนที่ไม่รู้ตัวคือคนที่ โดนรมยาสลบหรือว่าช็อกนะโคมา่าหรืออาจจะรวมไปถึงคนที่เป็นบ้าวิกลจรลิตไอพวกนี้เขาไม่เรียกว่าไม่รู้ตัวทำอะไรก็นะนะเขาก็ไม่ถือโทษนะแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในภาวะเช่นนั้นนะ ไม่ได้เป็นบ้านะไม่ได้โดนไม่ได้สลบหรือช็อกเนี่ยก็ยังทําอะไรได้นะเป็นเรื่องเป็นราวในทางการแพทย์ก็ถือว่าอย่างนี้รู้ตัวแล้วแต่ทางพุทธศาสนานเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อาจจะหลงก็ได้นะแล้วทําถ้าหลงแล้วมันทําถูกทําอะไรถูกได้ยังไงก็คง ค, คล้ายๆกับคนที่ละเมอนะ คนละเมอเนี่ยเขาก็สามารถจะเดินลงบันไดเดินออกนอกบ้านหรือเปิดประตูได้เหมือนกันคนละเมอเนี่ยเขาทำอะไรได้ถูกเหมือนกันนะแต่เราก็รู้ว่าเขาหลับตอนนั้นเขาอยู่ในภาวะหลับแต่ว่าเข า, า จ, จะนึกฝันอะไรได้นะเราก็ว่าตื่นก็ได้เขาจะฝันว่ากำลังตื่นอยู่ แต่ว่าเขหลับทั้งที่หลับก็ยังทําอะไรได้ถูกนะแต่นั่นเนี่ยเรียกว่าหลงถึงว่าเราลืมตาอยูนะ่เราก็ยังหลงได้แล้ถ้าเราปล่อยตัวหลงนี้มันคลองใจไปเรื่อยๆนะยิ่งอายุมากก็ยิ่งหลงมาก หนะลงในที่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่หลงลืมนะอันนั้นมันเป็นเรื่องของสมองเรื่องของร่างกายแต่ที่แยกกตอนนั้นก็คือการเป็นคนเจ้าอารมณนะ์ไม่รู้ตัวถูกอารมณ์ครอบงําไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความหวงแหนนะหรือว่าความซึมเศร้า คนจิตันไม่น้อยไม่ยิ่งอายุมากเนี่ก็ยิ่งหลงนะแล้วก็พอหลงแล้วมันก็ทุกตัวเองทุกไม่พอสร้างความทุกข์ให้คนอื่นนะบางคนก็มาดูหลวงความเป็นเจ้าอารมณ์นะหงุดหงิดบางคนก็วิตกกังวลหนักนะพอห่วงลูกห่วงลูก นะอันนั้นก็เรียกว่าหลงเหมือนกันนะไอ้ความหลงมันน่ากลัวตรงที่ว่าพอหลงแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าหลงนะจะวังข้ามหรือว่าดูแคลน ความหลงนี่ไม่ได้เลยนะคนเราแม้จะเรียนสูงแค่ไหนนะแต่ถ้าหลงหรือลืมตัวแม้เพียงชั่วขณะเดียวเนี่ยมันก็พาชีวิตเนี่ยสู่ความพินาศได้นะมันมีคําพูดว่าเนี่ยความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเนี่ย น, นี่สุนทรพูดกล่าวไว้นานแล้วสองร้อยปีแล้วความรู้ท่วมหัวเนี่ยมันหมายถึงรู้ทางโลกนะ แต่ว่ามันไม่มีความรู้ตัวเอาตัวไม่รอยเพราะตอนนั้นมันหลงนะหลงในอารมณ์เช่นอาจจะโกรธนะโกรธฉับพลันหรือว่าท้อแท้สิ้นหวังอย่างรุนแรงนะพอโกรธนะชั่ววูบเท่านั้นแหละนะก็สามารถทำให้ชีวิตเนี่ยพินาศไปได้เช่นไปฆ่า ไม่ใช่ฆ่าเพื่อนบางทีฆ่าคนรักหรือบางทีฆ่าลูกหรือหนักกว่านั้นฆ่าพ่อฆ่าแม่อันนี้เรียกว่าลืมตัวชั่วขนาแต่ที่จริงจะพูดว่าลืมตัวชั่วขนาดก็ไม่ถูกทีเดียวนะเหมือนกัว่านั้นมันเพิ่งมาลืมตัวตอนนั้นที่จริงมาลืมตัวมาต่อนเนื่องแนละ้วแต่ว่ามันจะไม่หนักหนา เท่ากับชั่วขณะนั่นแหละเช่นอาจจะโกรธนะก็บรรดาโทสะทำร้ายเขาบางทีว่าความโลภ ก, ก็มีนะนะลูกค่าพ่อค่าแม่เพราะอยากได้มรดกอันนี้ก็เคยเป็นข่าวมาแล้วอันนี้ความความอยากเนี่ยมันมันมันครอบงำผสมกับความโกรธความเกลียความเนื้อเนื้อต่ำใจด้วย ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ า, ารู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยรักลูกคนอื่นมากกว่าตัวเองพ่อแม่ไม่เป็นธรรมไอ้ความโลภผสมความโกรธความเกียดมันก็เลยทำให้เกิดบันดาลโทสะแต่บางทีก็ไม่ใช่บันดาลโทสะเชื่อเพราะมันมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก็มี คนเราเนี่ยแม้จะรู้ผิดชอบชั่วดีนะแต่บ่อยครั้งมันก็เผลอทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะความลืมตัวอย่างที่เขาพูดว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้อดใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยนะความโลบนะมันครองใจ มันมีสิ่งเย้ยยวนนะนะทาให้พลาดนะเข่นไปมีเมียน้อยไป ม, มีชู้เนะี่ยหรือว่าเข้าหาอบายมุกอันนี้เรียกว่ารู้นะว่าไม่ดีนะแต่ห้ามใจไม่ได้หลายคนที่ติดเหล้าก็รู้ว่าเหล้าไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้ น, ดไดไไดนะตอนนั้นเรียกว่ามันหลงนะ แล้ถ้าเราไม่สร้างความรู้ตัวให้มากขึ้นเนี่ยนะปล่อยให้ความหลงครองใจแม้แต่เวลาเข้าหาธรรมะเนี่ยก็สามารถใช้ธรรมะนะเพื่อมาสนองกิเลสหรือสร้างความทุกข์ให้กับตนเองและคนอื่นได้ธรรมะเนี่เป็นของดีนะนะแต่ว่าถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูก มันก็เกิดโทษนะอย่างที่เราสวนไม่สักครู่เนี่ยยาคาที่จับไห้ไม่ดีย่อมบาดมือไอ้ยาคาเนี่มันไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าจับไม่ถูกนี่มันก็ทำร้ายเราได้นะความเป็นสมณนนะที่บรรญชิตินะปฏิบัติไม่ถูกก็ย่อมจุดลงนรกธรรมานี่ถ้าศึกษาไม่ดีศึกษาด้วยความหลงนะมันก็ทำให้เกิดโทษนะ อย่างเช่นศึกษาธรรมะเพื่อเอาไปเล่นงานคนอื่นหรือเพื่อยกตนข่มท่านในมันมีนักปฏิบัติทมนักภาวนาจานวนมากเนี่ยที่ปฏิบัติด้วยความหลงนะแล้วก็ใช้ธรรมะเนี่ยไปเล่นงานผู้อื่นไปข่มขีคุกคาาผู้อื่นนะอันนี้ก็ทาด้วยความหลง ศึกษาธรรมเนี่ยไม่ว่าศึกษาปริยัติหรือว่านําไปปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติด้วยความหลงแล้วยมันก็ทําให้จมอยู่ในความทุกข์มากขึ้นนั่นจะไปดูแคลนนะอย่าไปดูแคล น, นะนความรู้ตัวเพราความรู้ตัวเนี่ยมันเป็นเรียกว่าสิ่งเดียวหรือตัวหลักเลยนะที่จะจัดการความหลงได้ อย่างอื่นเนี่ยนะเช่นการรู้มากนะในทางปริยัติหรือการฟังมากเนี่ยหรือการคิดเก่งเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้ความหลงเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนะแต่ถ้าเราทำความสึกตัวให้มากขึ้นนะมันจะไปจัดการความหลงได้เราแสวงหาความรู้มาเยอะแล้วนะ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความรู้ตัวไอ้ความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แค่ได้ยินได้ฟังได้อ่านเนี่ยนะความรู้มันก็มากขึ้นนะแต่ความรู้ตัวเนี่ยนะมันตาจากความรู้มันต้องเกิดจากการปฏิบัตินะ จะแค่ฟังจะแค่นึกเอาไม่ได้อย่างอัตมาเนี่ยพูดเรื่องความรู้ตัวแล้วเราฟังนะฟังทุกวันเวลาหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้ความรู้ตัวมากขึ้นเลยกลับทาให้หลงมากขึ้นเลยกลับทำให้หลงมากซะอีกเพราะพอฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆมันก็เลยชินชาใจมันก็คิดไปเรื่องอื่นละเหมือนกับเราสวดมนตนะ์อ่ะทีแรก ส่วนครั้งแรกก็รู้ตัวดีแต่พอสวดไปสวดไปคุ้นเคยจนท่องได้เนี่ยมันหลงเลยนะหลงง่ายหรือบางทีก็เกิดความาหลงตัวว่าเนี่ยฉันรู้มากแล้วเพราะฉันได้ฟังมาเยอะนะฉันจำได้เยอะนะเปิดช่อยอกิเลสนะครอบงำ กความรู้ตัวมันต้องปฏิบัตินะแลต้องเริ่มต้นจากการถห็ว่ามันสำคัญนะแล้วก็อย่างที่พูดเมื่อวานนะ่ะความรู้ตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้านปริยัติหรือทฤษฎีอะไรมากมายเลย mm hmm. เพียงแต่ลงมือปฏิบัติแล้วก็รู้นะ เริ่มต้นโดยการรู้กายเฉยๆเด็กก็ทำได้รู้กายยกมือก็รู้นะเดินก็รู้หรือว่ารู้สึกควาว่ารู้กับรู้สึกเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันแต่มันก็ใกล้เคียงกันนะหรือว่ามันเกี่ยวเนื่องกันถ้าเรารู้ตัวหรือใจอยู่กันเนื่อกับตัวนะกายทำอะไรก็รู้สึกนะ ไม่แต่กระดิเนิ้วคกลือนน้ำลายหายใจกระพิบตาท่านใจอยู่กันหรือกับตัวหรือมีความรู้ตัวทั่วพร้อมนะกายทำอะไรนะใจมันก็รู้คือรู้สึกนะรู้สึกในที่นี้ไม่ใช่เวทนานะคนละตัวกันรู้สึกคือรู้ว่ากายมันมีการเคลื่อนไหว เมื่อก็มีคนมาแตะหลังเราเราก็รู้สึกนะนึกก็รู้สึก อ, นะนะ น, กกอนนี้ใจเราลอยคิดโน่นคิดนี่นะกาลังห่วงลูกนะหรือว่ากําลังนึกถึงงา น, ม, นมีคนมาแตะหล า, า่เราเออเรารู้ตัวเรากลับมามีสติเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปเรียกจิตเราให้กลับมามีสตนินี่ประโยชน์ของความรู้สึกนะ เราสร้างเราสร้างอิริยาบถยกมือนะเดินจงกรมเนี่ยนะครูบาอาจารย์ต้อบอกว่าให้ทําทำแล้วให้รู้สึกนะรู้สึกเราจะรู้สึกได้เพราะเราเพอใจอยู่กันเนื้อกับตัวใจไม่ไหลไปอดีตลอยไปอนาคตทีแรกมันมีสติก่อนแนละ้วจึงรู้สึกตัวหรือว่ารู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวเพราะถ้าไม่มีสตินะใจลอยไปนู่นไปนี่นะ ยกมือก็ไม่รู้สึกเดินก็ไม่รู้สึกนะแต่พอมีสติรู้ว่าเราเพลอไปแล้วนี่ฟุ้งแล้วสติพาจิต ก, กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้ตัวเกิดขึ้นก็รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวนะแต่ต่อไปทาต่อไปเนี่ยทาไปทาไปเนี่ยนะความรู้สึกมันจะไปเรียกสติให้เกิดขึ้นหรือกลับมา ทีแรกมีสติก่อนความรู้สึกจึงตามมาแต่ทาไปทำไปพอมีความรู้สึกนะสติก็จะเกิดขึ้นนะ <S 2> <S 2> <S เช่นใจกาลังลอยคิดโนวนคิดนี่จู่ๆมันมีแบบหนึ่งที่รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวในความรู้สึกนี่แหละนะมันจะไปสะกิดใจให้มีสติกลับมา ตคนที่กำลังใจลอยอยู่เสร็จแล้วก็แป๊บหนึ่งนะมันมีความรู้สึกที่มือว่ากําลังเคลื่อนหรือว่าตัวกําลังขยับตรงนั้นแหละที่จิตจะได้สติเหมือนกับเวลาเราใจลอยแล้วมีคนมาแตะไหลแตะมือเราเรารู้สึกตัวเลยให้ความรู้สึกมีประโยชน์นะมันเป็นทั้งเป็นตัวว่าตอนนั้นเนี่ยใจเราอยู่กันหรือก็กตัวรูเร้เปล่าถ้าเราไม่รู้สึกก็แสดงว่าใจเราไม่อยู่กันหรือก็กตัวเราไม่มีสติแล้ว นะแต่มันไม่ใช่เป็นแค่เครื่องวัดว่าเรารู้สึกตัวเท่านั้นนะแต่มันจะเป็นสิ่งที่จะไปเรียกความรู้สึกตัวกลับมาด้วยด้วยการทำให้จิตมีสติรละลึกไดว้ว่ากำลังหลุดลอยไปจากปัจจุบันแล้วจิตพอมีสติมันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวอ่ะก็รู้ตัวทั่วพร้อมนะมันง่ายๆนะเพียงแค่รู้สึกเฉยๆ ไม่ต้องทําอะไรมากกว่ารู้สึกนะอันนี้คือรู้กายนะตอนหลังเนี่ยพอสติมันไวขึ้นความรู้สึกตัวเกิดขึ้นทีที ท, ทีต่อเนื่องกันนะมันก็จะไปรู้ใจรู้ว่าเวลาใจเผลอคิดนึกไปนะหรือว่าเวลาใจมันหลงเราจะรู้ตัวได้ไวนะแต่ก่อนนี่มันหลงตะพึตะพื้เลยนะหลง ก็เป็นในความคิดแล้วจมในอารมณ์จนทำอะไรไม่ถูกจนทำอะไรผิดพลาดพลาดเช่นอาจจะพูดหลุดปากด่าเข้าไปหรือว่าเขียนคอมเมนต์ด่าคนในทางเฟซบุ๊กเพราะว่าตอนนั้นมาลืมตัวแต่พอเรามีสติไวขึ้นนะ มันรู้ทันอารมที่เกิดขึ้นความรู้ตัวจะกลับมาเร็วเรีนะยกว่าเริ่มต้นจากการรู้กายก่อน ต, ต่อไปมันก็จะรู้ใจได้ไหวขึ้นนะซึ่งก็สรุปนะมาเป็นหลักนะที่อง์พ่อท่านได้สอนเอาไว้รู้กายขึ้นไหวห็นใจคิดนึก ไอ้คิดนึกเนี่ยคือเผลอคิดนะไอ้ที่ตั้งใจคิดในอีกเรื่องหนึ่งรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยต่อไปมันก็จะเห็นใจคิดนึกซึ่งก็ทำให้ความหลงเนี่ยมันครองจิตครองใจไม่ได้ตรงนี้หละที่ทำให้ตัวรู้เนี่ยมันมีกำลังแล้วก็สามารถจะขับไล่ความหลง หรือตัวหลงออกไปจากเดิมเนี่ยทั้งวันเนี่ยหลงมากก็รู้ต่อไปเนี่ยรู้จะมากกว่าหลงนะแล้วมันจะทําให้ชีวเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะถ้าเมื่อใดก็ตามที่รู้มากก็หลงแต่ถ้าอะไรเมื่อใดยังปล่อยให้หลงมากกวรู้เนี่ยชีวเราก็ยังย่าแย่เหมือนเดิมหือจะหนักขึ้นเรื่อยๆ เ, เพราะตัวหลงมันไม่ค่อยมันไม่อยู่นิ่งนะมันก็จะพยายามแผ่อิทธิพลขยายอาเขตแล้วก็ไล่ตัวโรคไป ตอนหนุ่มๆอาจจะรู้หนุ่มๆสาวๆอาจจะรู้สักสสิเปอร์ซหลง7จสิเปอร์เซนแต่พอแก่ตัวเนี่ยอาจจะรู้ตัวแค่สิบเอร์ซนหลงเก้าสิบแย่เลยแต่ถ้าเราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติถูกนะหลงเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆจากเจ็ดิเอร์ซก็เหลือหกสิบเอร์ซนหสิบอร์ซหรืออาจจะเหลือแค่สามสิบซส่วนรู้นี่มันมากกว่าแล้วช่อเราก็จะเปลี่ยนแปลงไป จับเดิมชาวเนวตบเท่านี้นะกราบพระ